ลองใช้วิธีนี้ดูบ้างชานชวบมีผู้จัดการโรงถลุงเหล็กอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะทำให้คนงานในโรงถลุงเหล็กนั้นผลิตงานได้ตามปริมาณที่ต้องการมันเป็นอย่างไรกันชวบถามคนที่มีสมรรถภาพดีอย่างท่านจึงไม่สามารถทำให้โรงถลุงเหล็กผลิตงานได้เท่าที่ควรผมไม่รู้ว่าทาไมจึงเป็นอย่างนั้นผู้จัดการตอบ ผมปลอบก็แล้วผมบังคับก็แล้วผมดุว่าก็แล้วผมขู่ว่าจะลงโทษและไล่ออกก็แล้วแต่ก็ไม่เกิดผลงานไม่เดินเสียเลยการสนทนานี้กระทำกันเมื่อเวลาเลิกงานในตอนเย็นก่อนคนงานกะกลางคืนจะลงมือทำงานขอ็อคให้ผมสักอันเถอะเขาพูดครั้นแล้วเขาหันมาทางคนงานผู้หนึ่งซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆและว่ากะของคุณทางานวันนี้ได้ความร้อนทั้งหมดกี่หน่วยหกครับ โดยไม่ได้พูดอะไรอีกแม้แต่คําเดียวเฉวอบใช้ช็อกเขียนเลขหกตัวโตลงกับพื้นแล้วเดินจากไปเมื่อพวกทํางานกะกลางคืนมารับงานเขาต่างได้เห็นเลข6จึงถามกันว่าหมายความว่ากระไรวันนี้ในายใหญ่บ้านที่นี่พวกกะกลางวันบอกแกถามเราว่าวันนี้เราทํางานได้ความร้อนกี่หน่วยเราตอบว่า6แกจึงเขียนลงกับพื้น เช้าวันรุ่งขึ้นชวอบเดินมาตรวจโรงถลุงเหล็กอีกครั้งหนึ่งพวกทำงานกะกลางคืนได้ลบเลขหออกและเขียนแทนไว้ด้วยเลข7เพื่อพวกกะกลางวันมาทำงานเช้าวันรุ่งขึ้นเขาต่างได้เห็นเลขเจดตัวโตวเขียนด้วยช็อกอยู่ที่พื้นพวกกะกลางคืนคิดว่าเขาเก่งกว่าพวกกะกลางวันหรือนี่ดีละ่ะพวกเราต้องแสดงอะไรให้ดูเสียบ้าง เหตุนี้เองพวกกะกลางวันจึงทุ่มกําลังของตนทํางานด้วยความขมักขม่นเมื่อเลิกงานค่ําวันนั้นจึงปรากฏว่าพวกกะกลางวันเขียนเลขสิบเอาไว้นั่นก็แปลว่างานได้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นต่อมาไม่ช้าโรงถลุงเหล็กนี้ซึ่งเคยผลิตงานได้น้อยเปลี่ยนเป็นผลิตได้มากกว่าโรงถลุงเหล็กอื่นในบริเวณโรงงานเดียวกันหลักการหรือท่านให้ชานชวบตอบด้วยตนเองเขาพูด วิธีที่จะให้ผลิตงานได้มากๆก็คือการกระตุ้นให้เกิดแข่งขันกันข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงการแข่งขันอันโสมมและต้องทุ่มเทเงินทองแต่หมายถึงการกระตุ้นให้เกิดความปรารถนาที่จะเป็นคนเก่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งความปรารถนาที่จะเก่งกว่าการท้าทายการแข่งขันเป็นวิธีเดียวที่จะบรรลผลนแน่นอนในการหนุนให้มนุษย์เกิดความมานะถ้าปราศจากการท้าทาย ทีโอโดโร์เวลล์อาจจะไม่ได้ก้าวไปสู่ฐานะประธาน า, าธานาิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ท่านผู้เป็นหัวหน้านักขี้ข้าหัวเหตุผู้นี้ในขณะกลับมาจากคิวบา์ใหม่ๆถูกเลือกให้สมัครแข่งขันตำแหน่งข้าหลวงแห่งรัฐนิวยอร์กทางพรรคฝ่ายค้านพบความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นพลเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งในรัฐนี้ซึ่งทำให้โรถเบลเกิดความวาดวิตกจนอยากจะถอนชื่อออกจากการสมัครรับเลือกตั้งแต่ทอมัสคอนเลียแพต ยับยั้งความตั้งใจของเขาไว้เขาหันขวับมาทางทีโอโดโรสเบลร้องขึ้นด้วยเสียงสั่นระรัววีรบรุรุษแ่งเนินเขาแซนวานเป็นคนขี้คลาดตาขาวไปเสียแล้วหรือด้วยเหตุนี้เองรถเบลจึงเกิดมุมาณนะจะต่อสู้ถึงที่สุดส่วนเรื่องต่อจากนี้ความปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วการท้าทายไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเขาหากเป็นการเกี่ยวยงกับประวัติศาสตร์ของชาติอเมริกันด้วย ชันชวบรู้ดีถึงอิทธิฤทธิ์อันมหาศาลแห่งการท้าทายทอมสัสคอนเลียแพตก็รู้ดีและอันสมิดก็รู้ดีทํานองเดียวกันเมื่อตอนอันสมิดเป็นข้าหลวงแห่งรัฐนิวยอร์กเขาต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญบางอย่างกล่าวคือคุกสิงสิงคุกอันขึ้นชื่อลือนามซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะเดเวิล ตำแหน่งพัสดียังคงว่างอยู่มีข่าวอนาอัภยศอดสูแพร่สะพัดผ่านกำแพงคุกออกมาภายนอกข่าวซึ่งเรื่องลือไปอย่างน่าเกลียดหน้าชังถึงพฤติการของพัสดีคนก่อ น, นเหตุนี้เองอันสมิธจึงต้องการบุคคลที่ซื่อตรงและมีจิตใจแข็งแกร่งมาปกครองคุกสิ่งสิ่งบุคคลซึ่งเข้มแข็งประดุดเหล็กแต่ใครเล่าจะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เขาเรียกตัวหลุยแอลลอจากเมืองนิวแฮมป์ตันมาหารือ ไปเป็นพัสดีคุกสิงสิงดูไหมสมิทธพูดด้วยสีหน้าเบิกบานขณะรอยืนอยู่เบื้องหน้าของเขาคนที่จะเป็นพัสดีที่นั่นได้ต้องเป็นผู้มีความชมํชนานิชํานาญงานมาแล้วลอถึงกับนิ่งงนันเขารู้ดีถึงความไม่ราบรื่นของตําแหน่งพัสดีคุกสิงสิงการแต่งตั้งตําแหน่งนี้ขึ้นอยู่กับวิถีการเมืองและเป็นตําแหน่งที่ไม่ถาวรโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแล้วแต่ความผันแปรทางการเมือง พัสดีของคุกนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมีอยู่คนหนึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ได้เพียงสามสัปดาห์เท่านั้นเขาต้องใครครวญถึงอนาคตของเขาว่าจะดำเนินไปอย่างไรจากการรับงานนี้มันเป็นการเสี่ยงภัยที่จะเกิดประโยชน์อันสมควรหรือหรือครันอันสมิดเห็นอาการลังเล ข, ของรอเขาเอนหลังพิงพนักเก้าอี้และยิ้มนี่นะพ่อนุม่มเขาพูด ผมไม่โทษคุณหรอกที่คุณนึกหวาดกลัวมันเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนคนที่เข้มแข็งบึกบึนจริงๆจึงจะทำงานนี้ไหวและอยู่ได้นานๆนั่นก็คือสมิธส่งคำท้าทายไปให้แล้วใช่ไหมท่านคำท้าทายนี่เองทำให้รอเกิดความมานะแรงกล้าที่จะรับหน้าที่ซึ่งเหมาะสมสำหรับคนเข้มแข็งบึกบึนเท่านั้นเป็นอันว่ารอตกลงรับและเขาได้อยู่นาน เขาอยู่นานพอจนกลายเป็นภัสดีนามอุคโคตที่สุดเท่าที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหนังสือของเขาเล่มหนึ่งชื่อสองหมื่นปีในคุกจริงๆซึ่งได้ขายไปแล้วหลายแสนเล่มเขาพูดส่งกระจายเสียงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตต่างๆในคุกซึ่งเรื่องเหล่านั้นได้สร้างเป็นภาพยนตร์ไปแล้วหลายสิบเรื่องและวิธีการของเขาที่เห็นอัชฉรยกรทั้งหลายต่างเป็นมนุษย์เหมือนเราท่านเป็นเหตุให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ในการปฏิรูปความเป็นไปของคุก มาสู่แบบแผนใหม่เขาพระเจ้าไม่เคยพบเลยว่าเป็นคำพูดของ Harvey S. Firestone ผู้จัดตั้งบริษัทสินค้ายางชื่อบริษัทไฟ o โต t h ทยและรับเบ r การให้เงินเดือนอย่างเดียวสามารถจะได้คนดีไว้ใช้ข้าพระเจ้าคิดว่าการแข่งขันตัางหาก นั่นคือสิ่งที่ผู้ได้รับความสำเร็จทุกคนชอบการแข่งขันการแข่งขันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาแสดงความสามารถของเขาการแข่งขันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาพิสูจน์คุณค่าตัวของเขาเพื่อไปสู่จุดหมายแห่งการเป็นคนเก่งและชัยชนะเนื่องจากเหตุนี้จึงได้มีการวิ่งแข่งการแข่งขันกีฬาต่างๆตลอดจนการแข่งขันกินขนม ทั้งนี้มาจากความปรารถนาที่จะเป็นคนเก่งและความปรารถนาที่จะเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญนั่นเองดังนั้นถ้าท่านต้องการจูงใจบุคคลอื่นบุคคลที่องค์อาจเท่าหารบุคคลที่มีสมรรถภาพให้คล้อยตามแนวความคิดของท่านกฎที่ส2องมีดังนี้จงพูดท้าทาย